มาจากที่ไหนกันชมบรีเลยเคยมาป่ะไม่เคยมาจากสาทอทนะคะฮะจากใครนะสอทัน์อ๋อสอตัศน์เนเพื่อนกันนะสอ ท, ทังหเคยเขึ้นมาพักวันนี้นะเคยเขึ้นมาปฏิบั ต, ติวันนี้มาบ่อยอ่มาอยู่เรื่อย มาฝึกจิตฝึกใจจิตใจของเรามันชอบวุ่นวายชอบสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเราต้องมาฝึกวิธีหยุดความวุ่นวายใจปัญหาไม่ได้อยู่ความวุ่นวายของคนอื่นปัญหาอยู่ที่ความวุ่นวายใจของเรา คนอื่นวุ่นวายถ้าเราไม่วุ่นวายใจเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เวลาคนอื่นเขาวุ่นวายเราก็ไปวุ่นวายกับเขาด้วยนะเราต้องมหาหัดหยุดใจของเราไม่ให้วุ่นวายเกยกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะความวุ่นวายใจนี่เป็นทุกข์มากความไม่วุ่นวายใจเป็นสุขอย่างตอนนี้ใจเราไม่วุ่นวายใช่ไหมสบายไหม เดี๋ยวพอไปเจอเหตุการณ์ขึ้นมาหน่อยก็วุ่นวายใจขึ้นมาเราก็เจอไปแต่เหตุการณ์เราเจอไปก็เจอไปแต่ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันเราก็ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ไม่ได้นี่ใช่ไหมถ้าเราไปเห็นคนนั้นฆ่าฆ่ากันคนนี้เขาทำนื่ทำนี่กันเราไปทำอะไรได้เปะ่ะเราไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เ่าตอนนี้บ้านเรากำลังเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ แต่พอเราไม่รู้เราก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าเกิดเราไปอยู่ที่บ้านแล้วเห็นเขาเอาไฟมาเผาบ้านเราเนี่เราเดือดร้อนนะมุ่นวายไหมอุ่นวายแล้วมันทําให้มันไม่ไหม้ได้เปล่าใช่ไลนะ่ะเดือดร้อนเพทําทำไมเดือดร้อนมันก็ไหม้อยู่ดีไม่เดือดร้อนมันก็ไหม้อยู่ดีนี่คือหลักความจริงที่เรามองไม่ยอมมองกัน เราทุกไปกับเรื่องต่างๆโดยที่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้อยู่ดีทุกไปทําไมสู้อยู่เฉยๆแบบนี้สบายใจอย่างนี้ไม่ดีกว่าอย่างสมมุตินะไม่ได้แช่งนะสมมุติตอนนี้บ้านบ้านกําลังไหมอย่างนี้แต่เราอยู่ตรงนี้เราสบายใจมไ้ยตรนเราไม่รู้นี่มันไหมก็รู้ก็ต้องรู้ก็รู้แล้วไม่รู้มันก็ไหมอยู่ดีไม่ใช่หรืออ่า แต่ถ้ามาพอเราไปรู้ปั๊บมันวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่เคยเราไม่รู้จักวิธีควบคุมบังคับมันสอนมันให้ไม่ไม่ให้มันวุ่นวายใจเราสามารถไม่วุ่นวายใจกับการไหมอของบ้านเราได้เ ช, ชื่อไหมเราสามารถไม่วุ่นวายใจกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกจะเกิดขึ้นกับบ้านของเราเกิดขึ้นกับ เงินทองของเราเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของเราเกิดขึ้นกับสามีภรรยาลูกเราแล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำใจให้เราเป็นปกติอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ได้ไม่ต้องไปวุ่นวายใช่ไหมตอนนี้สมมุติเนี่ยเราอยู่ที่นี่เราไม่เป็นวุ่นวายอะไรเลยตอนนี้บ้านอาจจะไหม้หมดไปแล้วก็ได้ ไม่วุ่นวายทำไมวุ่นวายแล้วทำให้บ้านมันไม่ไหม้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ทาให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรเีคือเรื่องที่เราควรที่จะม า, าหัดทำกันคือทำใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะว่าเราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ อะไรมันจะเกิดก็เกิดท่องคำนี้ไว้แล้วจะสบายใจจะได้ไม่ต้องกังวลกับอนาคตไปหาหมอดูกันเหนื่อยเปล่าหมอดูก็หมอก็ไม่รู้เองอนาคตของหมอยังไม่รู้แล้วหมอจะไปบอกความจริงอนาคตเราก็รู้กันแต่แล้วไม่ยอมมองกันทั้งนั้นเองอนาคตของเราก็มีแต่แก่เจ็บตายเั้านั้น อันนี้แหละของจริงของแท้กลับไม่ยอมมองกันจะไปมองว่าอนาคตจะรวยขึ้นกว่านี้หรือเปล่าจะมีอะไรดีกว่านี้หรือเปล่าอันนั้นเป็นความเพ้อฝันมีหรือไม่มีมันก็เท่านั้นแหละมีแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปมีมันก็ไม่เปลี่ยนทามันก็ไม่ได้ทำให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มีเราก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิมเราไม่รู้จักควบคุมใจไม่รู้จักรักษาใจให้อยู่เป็นปกติอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใจเราเป็นปกติกันทุกคนเนะี่ยนั่งเฉยๆได้ยิ้มได้พยายามให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดใครดาเราก็นั่งเฉยๆอย่างนี้ได้ยิ้มได้ ใครขโมยเงินเราไปก็นั่งเฉยๆได้ยิ้มได้ใครขโมยรถเราไปก็นั่งเฉยๆยิ้มได้อก็เข้ า, เาไปแล้วจะไปทำไงจะไปร้อ ง, มงหมร้องไห้มันก็ไม่กลับมาอยู่ดีทําให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆทำไมเขาบอกว่าอย่าเสียสองเด้งนะเสียเด้งเดียวก็พอเสียของแล้วอย่าไปเสียใจ ใจเรานี่สามารถรักษาให้ไม่เสียได้แล้วเสียอะไรก็ไม่ไม่เลวร้ายเท่ากับการเสียใจเสียข้าวเสียของไปเสียคนนั้นเสียคนนี้ไปมันไม่ร้ายกาดเท่ากับเสียใจเวลาใจเสียนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้ารักษาใจไม่ให้เสียได้อะไรจะหายไปก็หายไปเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ ถ้ายัางไม่ตายมีปัญญาก็หาใหม่ได้ถ้าอยากจะได้แต่ถ้าฉลายก็ไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียอีกก็อยู่แบบไม่ไม่มีดีกว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรใช่ไหมรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีกินน้ำก็ไม่มีดื่มเราทำไมนั่งอยู่นี้ได้ถ้าเราทำใจของเราให้เป็นอย่างนี้ได้ไปตลอด เราก็อดข้าวได้อดน้าได้แล้วก็แก่ได้เจ็บได้ตายได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทำได้ท่านรู้จักวิธีทำวิธีทาให้ใจของท่านเฉยๆแบบที่เราเป็นอยู่กันตอนนี้รักษาความเป็นปกติสุขของใจไว้พอต่อไปเราก็ต้องเสียทุกอย่าง ของทุกอย่างที่เราได้มานี่เราก็ต้องเสียไปหมดพอร่างกายตายไปของทุกอย่างก็ตายไปกับเราไปหมดแต่เราไม่ต้องเสียใจไปกับการเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตอนนี้เราโชงดีมีโค้ชมีมีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวกมาเป็นโค้ชสอนเราให้เรารู้จักวิธีรักษาใจของเรา ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ไปเดือดร้อนกับการสูญเสียต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เรามาศึกษากันมาปฏิบัติกันคือมาศึกษาวิธีรักษาใจของเราให้มีความสุขเหมือนกับที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้ ทำยังไงให้มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์31วันต่อเดือน365วันต่อปีพระพุทธเจ้าท่านรู้จักวิธีรักษาใจของท่านให้สงบให้สุขไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะท่านรู้จักวิธี หยุดใจหยุดไม่ให้ไปวุ่นวายพอจะไปวุ่นวายท่านก็หยุดมันได้เหมือนกับหมาถ้าเรามีมีสายรัดคอมีอะไรคอยคอยดึงมันไว้เวลามันจะไปกัดหรือจะไปทำอะไรเสียหายเราก็ดึงมันไว้ได้บางทีเราถึงต้องมีอะไรผูกมัดสัตว์เอาไว้เพื่อกันไม่ให้มันไปทำทำอะไรที่เสียหาย ทั้งกับผู้อื่นและกับตัวมันเองใจใจเราเหมือนมา้าม้านี่ทำไมเขาถึงขี่แล้วควบคุมบังคับมันได้เพราะเขามีบางเหีนเนี่ยเขามีตัวที่จะคอยควบคุมสั่งให้ม้ามันหยุดสั่งให้ม้ามันวิ่งได้ใจของเราก็เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวควบคุมใจสั่งมันไม่ได้ บางทีมันจะวุ่นวายก็สั่งให้มันหยุดไม่ได้เวลามันจะไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะเราไม่มีบังเหียนเหมือนกับมาที่เตาขีธรรมะนี่แหละเป็นบังเหียนที่จะควบคุมใจของเราให้เป็นปกติธรรมะที่จะมาควบคุมใจและให้เป็นปกติก็มี หศีลรักษาศีลมีศีลก็ไปทำบาปไม่ได้ละถือศีลแปด ก, ก็ไปหาความสุขทางร่างกายไม่ได้ละการหาความสุขทางร่างกายมันเป็นการหาความทุกข์เสมากกว่าเพราะความสุขที่หาได้มันจะหมดไปเวลาหมดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเช่นไปมีแฟนก็มีความสุข พอแฟนจากไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสู้อย่าไปหาดีกว่าสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องมาทุกเวลาที่แฟนจากออกไปจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องมีศีลศีลแปดบังเหียนดึงใจไว้อย่าไปหาเรื่องอย่าไปหาทุกข์พวกเราชอบไปหาทุกข์กับคนนั้นคนนี้อยากจะมีมแฟนมีคู่ครอง พอความหลงคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้เป็นความสุขปลอมความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปพอความสุขนั้นหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้นี่คือศีลวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆถ้าเรามีศีลเราก็จะได้อยู่แบบมาอยู่วัดได้นะ อยู่าัดก็ไม่ต้องมีอะไรทีวีก็ไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องมีมีที่หลับที่นอนมีมีอาหารกินก็พอละกินก็ไม่ต้องกินมากกินพอพออยู่ได้ก็พอกินแค่เที่ยงวันก็พอแล้วสบายหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการหาอาหารกิ น, กนอีกถ้าเราจะได้มาควบคุมใจให้มัน สงบยิ่งขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นคือนอกจากศีลแล้วยังต้องมีสมาธิมีปัญญาถึงจะสามารถรักษาใจของเรานี้ให้นิ่งสงบได้ตลอดไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับบุคคลต่างๆีถ้าเราไม่มีศีลเราจะไม่มีเวลามาสร้างสมาธิกัน สมาธินี้ก็คือให้ทาใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งเราก็ต้องมีเวลามาคอยนั่งสมาธิกันถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกันได้เดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงได้เย็นนี้ก็ไปเลี้ยงไปกินเลี้ยงกันได้ไปเที่ยวเดี๋ยวไปโรงภาพยนตร์ได้ไปโรงละครได้ไปงานเลี้ยงได้ไปทําอะไรต่างๆได้ ถ้าเราไม่ถือสินแปดเราก็จะเอาเวลาไปทำหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราก็เลยไม่มีเวลามาทำใจให้สงบไม่มีเวลามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพราะการจะทำใจให้สงบได้นี้เบื้องต้นต้องมีสติก่อนสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียว เช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเราก็ไม่สามารถไปคิดถึงกิจกรรมต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆได้พอเราไม่คิดใจเราก็จะเย็นจะสบายถ้าเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมาได้คิดถึงศัตรูก็จะไม่สบายใจคิดถึงเจ้าหนี้ก็ไม่สบายใจ คิดถึงแฟนคิดถึงลูกก็ห่วง ก, กังวลอีกแต่ถ้าไม่คิดแล้วอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดใจเราก็จะเย็นจะสบายแล้วเขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเขาจะเป็นจะตายเขาจะสุขจะทุกข์มันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็เย็นสบายของเราได้เพราะเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรได้ เขาจะสุขเขาจะทุกข์มันก็เป็นเรื่องของเขา<ม>แต่เราชอบไปยุ่งกับเขาเองชอบไปอยากให้เขาสุข<ม>พอเห็นก็ไม่สุขก็ไปทุกข์กับเขา<ม><ม>พอเราหยุดความคิดไม่ได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะรู้เฉยเฉยแต่การมาบอกว่าเขากําลังเป็นนู่นเป็นนี่อยู่แล้วก็รู้เฉยเฉยไปเป็นก็เป็นจะทํายังไง เราไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาเป็น้าหน่อยใช่ถ้าเราเป็นต้นเหตุเราก็อาจจะไประ ง, งับให้เขาไม่เป็นก็ได้เราก็ไม่ได้ทำอะไระะนั่นนี่คือวิธีที่สองก็คือเราต้องหยุดความคิดด้วยวกา ร, รบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่กับใคร กินอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ว่างทีนี้ไม่ต้องทำอะไรไปถึงเวลานอนถ้ามาอยู่วัดนะเที่ยนแปดหลังจากกินอาหารเที่ยงแล้วก็ว่างไม่ต้องทำอะไรนอกจากถ้าอยากจะทำตอนเย็นก็ไปไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ความจริงไหว้พระสวดมนต์ไหว้เองก็ได้ไม่ต้องไปไหว้ที่โบสถ์ก็ได้ไหว้ที่พักของเราก็ได้ แต่ที่ข้าไปที่โบสถ์เพราะกลัวพวกที่ไม่ไหวไปจะหลบไปเล่นไปนอนไปทำอะไรเขาก็เลยต้องให้ไปไหว้ที่โบสถ์จะได้เห็นหน้าเห็นตากันจะได้รู้ว่าไม่ได้ไปหลบไปนอนหรือไปเล่นกันก็เลยต้องไปทําที่โบสถ์กันแต่ถ้าทําจริงๆทําเพื่อใจให้สงบนี้ ท, ทําที่ที่พักของเราดีกว่าอยู่ทําคนเดียวมันมันจะสงบง่ายกว่าทำกันหลายๆคน เดี๋ยวไปอยู่รวมกันเดี๋ยก็อดคิดไม่ได้อดพูดไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่พูดก็คิดว่าเดี๋ยวก็คิดว่า เ, เขาไม่ชอบเราหรือเปล่าเราไม่พูดเขาก็มาคิดว่าเราไม่ชอบเขารึเปล่าเดี๋ยวต่างฝ่ายก็ต่างอารมณ์เสียกันขึ้นมาถ้าปฏิบัติจริงๆทําใจให้สงบจริงๆนี่ควรจะปฏิบัติตามลาพังจะดีกว่าที่มาปฏิบัติรวมกันก็เพราะยังปฏิบัติเองไม่เป็น เลยต้องมารวมกันแล้วมีครูนํามีผู้นําผู้นําสวดผู้นํานั่งสมาธิแต่ถ้าเราสวดเป็นแล้วนั่งสมาธิเองได้แล้วก็ไม่ต้องมีผู้นําไปปฏิบัติคนเดียวดีกว่าแล้วเราจะสามารถปฏิบัติยาวหรือสั้นก็ได้ถ้าไปปฏิบัติรวมกันเดี๋ยวก็มีเวลาแล้วบางทีเรานั่งสมาธิกําลังจะเข้าได้เ ข, เข้าเข็มอ่ะเลิกซะแล้ว แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเข้าได้เข้าเข็มก็เข้าไปเลยไม่ต้องเลิกความสำคัญก็คือต้องทำใจให้สงบให้ได้ใจจะสงบให้ได้ต้องมีสติหยุดความคิดต่างๆถ้าไม่คิดแล้วใจจะสงบจะนิ่งถ้านั่งเฉยๆก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วจะพบกับความสุขที่ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเที่ยวไปหาความสุขทางร่างกายกันถ้าเราได้รับความสุขจากความสงบนี้แล้วเราจะไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นมีแฟนก็เลิกกับแฟนได้มีสมบัติก็ยกให้คนอื่นได้ขอให้มีไว้เพียงพอเลี้ยงดูปากท้องก็พอมีลูกก็ยกให้เขาได้ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยกให้สละได้ทุกอย่าง พระพุทธเจ้าก่อนออกบวชนี้ท่านก็เคยพบกับความสงบมาแล้วท่านเคยสัมผัสมาครั้งหนึ่งตอนที่เป็นเด็กตอนที่อยู่คนเดียววันนั้นไม่มีมีงานอะไรไม่ทราบพวกคนรับใช้บริวารทั้งหลายเขาไปทำภารกิจอย่างอืง่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้โคนไม้คนเดียวพอไม่มีใครห้อมล้อมไม่มีใครมารบกวน ใจใจของท่านก็เข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัติเพราะท่านเคยบำเพ็ญความสงบนี้มาแล้วในอดีตชาติพอพอกายวิเวกใจก็วิเวกพอกายสงบปราศจากบุคคลต่างๆห้อมล้อมใจก็สงบใจก็เข้าสู่ความสงบแล้วก็ทรงรู้สึกประทับใจกับความสุขที่เกิดจากความสุขนั้น แต่ก็เป็นความสุขเดียวๆพอเดียวพวกลูกน้องพวกบริวารคนรับใช้ก็กลับมากลับมาก็ชวนคุยชวนเล่ น, ชว น, น, นชวนทำนู่นชวนทำนี่ไอ้ความสงบนั้นก็เลยหายไปแต่ท่านก็จดจำมันไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งพอท่านเห็นร่างกายของท่านก็ต่อไ ป, ต, อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลย กลัวขึ้นมากลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายทุกข์ต้องไปหาวิธีที่จะทำยังไงจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายตั้งก็คิดถึงความสงบนี่เวลาจิตสงบแล้วมันไม่ทุกข์กับอะไรก็เลยอยากจะไปสร้างความสงบไปหาความสงบก็พอมีจังหวะที่ต้องไปก็ไปเลยพอได้ข่าวว่าได้ลูก ภรรยาคลอดลูกออกมาท่านก็ร้องลาหุนลาหุนแปลว่าบ่วงอยู่ต่อไปก็ไปไม่ได้เหมือนถูกบ่วงรัดเอาไว้ฉนั้นท่านเลยต้องหนีไม่ไปไม่เข้าไปหาบ่วงไม่เข้าไปหาราหุนราหุนเลยกลายเป็นชื่อของลูกขึ้นมาพระราหุนท่เลยตั้งชื่อลูกว่าพระราหุน แปลว่าบวกพระพุทธเจ้าเลยหนีไปเลยเคยนั้นไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องเลี้ยงลูกต้องห่วงลูกก็เลยไปเพราะต้องการจะไปหาวิธีดับความทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป ก็คือวิธีนี่แหละวิธีที่ทําใจของเราให้สงบทําใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆถ้าใจเราไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่วุ่นวายกับร่างกายของเราได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายแล้วก็รู <ative> ้เฉยๆนั่นนี่ทำอะไรได้ไปห้ามมันได้หรือเปล่ามันจะแก่แล้วห้ามมันได้หรือเปล่า มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราห้ามมันได้ปะมันจะตายเราห้ามมันได้ปะแต่เราห้ามใจได้ห้ามใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายได้เพียงแต่ทำให้มันเฉยๆเหมือนตอนนี้ท่านถ้าพวกเราสามารถทำให้มันเฉยๆแบบตอนนี้ได้ตลอดเวลาเวลาจะตายก็ยังเฉยๆอย่างนี้ได้ก็ไม่เดือดร้อนเช่นสมมติงูเหลือมันเ้ยขึ้นมาบนศาลาเนี่ย เราก็นั่งเฉยๆดูมันได้ไหมไม่ได้ทํำไมไว้ทาอะไรมันได้อะใช่ไหมอย่าว่าด่างงูเหลือมเลยบางทีตุ๊กแกหล่นลงมาตัวก็กระโดดกันละ <c oughs> <c oughs> เพราะใจเราไม่มีอะไรควบคุมบังคับพอมีเหตุการณ์อะไรมาสะเทือนใจหน่อยก็กระโดดเลย <c oughs> เราต้องเอาเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญามา คุมมันถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะคุมใจได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเฉยๆไปเพราะใจไม่ได้เป็นอะไรสมมติว่ามีงูมามากรัดมันก็กัดร่างกายมันไม่ได้กรัดใจให้หน่อยร่างกายมันก็ไม่กลัวร่างกายมันก็เหมือนเสาเนี่ยร่างกายนี้มันก็เป็นวัตถุเหมือนกันเนี่ยนี่ก็เป็นวัตถุมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกงูกัดนั่นก็ไม่รู้ว่งูกัด ไอตัวลูกคือใจแต่ใจไม่ถูกกัดซะหน่อยแต่ใจกลับไปกลัวแทนร่างกายที่ถูกกัดเพราะใจยังหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายอยู่อันนี้เราต้องใช้ปัญญาแยกแยะใช้สมาธิแยกแยะถ้าเราทำใจให้สงบนิ่งเวลาที่ใจสงบนี้ร่างกายกับใจจะแยกออกจากการชั่วคราวแล้วพอ ออกจากสมาธิมันก็จะมารวมกันตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเราเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็ห้ามมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้เย่าสมมติมีงูมามันจะกัดก็ห้ามมันไม่ได้ก็ให้มันกัดไปไม่ถูกงูกัดตายมันก็ต้องโดนอะไรตายทัอย้อย่างไม่งั้นก็แก่ตาย เป็นโลคตายมันก็ตายเหมือนกันแต่ใจไม่ได้ตายให้รู้ตรงนี้ใจเป็นผู้ที่กลัวนี้ไม่ได้ตายผู้ที่รู้ว่าร่างกายจะตายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ความหลงคิดว่าเป็นร่างกายคิดว่าผู้รู้กับร่างกายนี้เป็นตัวเดียวกันตอนนี้ตอนนั้นเราต้องใช้วิปัสสนาใช้ปัญญาบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วเราจะรู้ว่า ถ้าหากเราต้องการรู้ว่าเราเราปล่อยวางร่างกายได้จริงๆหรือเปล่าแยากจากร่างกายได้จริงๆหรือเปล่าเวลาต้องแยกกันเราก็พาร่างกายไปหาเสือไปหาอะไรที่น่ากลัวดูพอเจอแล้วดูซิว่าเราจะทำใจเฉยเฉยได้หรือเปล่าปล่อยให้ร่างกายเป็นอะไรไปก็เป็นไปสมมติไปเจองูขึ้นมาเนี่ยเราก็ใจเฉยเฉยได้ปล่าปล่อยร่างกายได้เปล่า เมื่อเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องตายก็ถ้ามันจะตายตอนนี้เราปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่า<ม>ถ้าเราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความกลัวตายต่อไปถ้าเราลอดมาถ้างูไม่กัดเรางูนานแล้วมันก็เลื้อยไปแล้วนั่งเฉยๆหวาดเสียวอยู่ภาพหนึ่ง พอมันเลยผ่านไปแล้วอ่อยเบาใจแต่คนจริงมันไม่มันเบาใจตั้งแต่ไปแล้วมันต้องเบาตั้งแต่ไปถึงนี้ถูกมันต้องเบาตั้งแต่เห็นเห็นงูแล้วเห็นงูปั๊บก็ปล่อยเลยถ้าปล่อยได้ปั๊บนี้มันเบาใจแล้วงูมันจะทําอะไรมันมันจะไม่เดือดร้อนเนี่ยคือวิธีที่เราจะมาฝึกใจกัน มารักษาใจให้เรานิ่งเฉยๆตอนนี้เรานิ่งได้เพราะไม่มีเหตุการณ์มาสะเทือนใจเราแต่พอมีเหตุการณ์มาสะเทือนใจถ้าไม่นิ่งก็แสดงว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะควบคุมใจไม่ให้วุ่นวายได้เรายังไม่มีสติพอยังไม่มีสมาธิพอยังไม่มีปัญญาพอเราก็ต้องมาปฏิบัติให้มากๆควบคุมใจให้มีสติตลอดเวลา ควบคุมความคิดให้ได้ตลอดเวลาควบคุมความทุกข์ความกลัวให้ได้ควบคุมความอยากความโลภความโกรธความหนงให้ได้ต่อไปเราก็ควบคุมได้ถ้าพยายามทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรจะไม่โลภกับอะไรไม่โกรธกับอะไรไม่หลงกับอะไรไม่กลัวอะไรเพราะใจไม่ได้เป็นอะไร สิ่งที่เป็นก็คือร่างกายที่ยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือไม่มีเหตุการณ์ร่างกายเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจไปกลัวทาไมไปวุ่นวายทำไมถ้าลองปฏิบัติไปแล้วมันก็จะสามารถทำข้อสอบเหล่านี้ได้ เวลามีอะไรมากระแทกใจกระเทือนใจก็ทําใจเฉยๆได้เวลาใครด่าก็เฉยๆได้เวลาใครมากัน่นแกล้งเรามากงเรามาเบียดเบียนเราเราก็เฉยๆได้แต่ก็ไม่ได้เฉยแบบอโง่นะถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลีกได้ก็หลีกนอกจากว่าถ้ามันหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ก็ก สวยไปก็ปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันแต่จะหลีกยังไงในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีร่างกายในที่สุดมันก็ตายอยู่ดีแต่คนที่เขาไม่กลัวแล้วเขาก็ยังหลบอยู่เขาก็ยังหลีกอยู่ถ้าไม่จําเป็นก็เก็บร่างกายไว้มันยังเป็นของมีประโยชน์เอาไปใช้ทําประโยชน์ได้อย่างน้อยก็มาบอก เรื่องธรรมะให้กับคนอื่นได้สอนให้คนอื่นได้ให้เขารู้เรื่องวิธีรักษาใจว่ารักษาอย่างไรถ้าไม่รักษาร่างกายปล่อยให้มันตายไปมันก็ไม่สามารถมาทำประโยชน์ได้อย่างว่าพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่รักษาร่างกายท่านหลังจากที่ท่านตัดสรตวแล้วท่านก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ทำอะไรเดี๋ยวร่างกายท่านก็ตายไปแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะเอาธรรมะมาสั่งสอนพวกเราได้ พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านปล่อยวางร่างกายได้แล้วไม่ยึดไม่ติดร่างกายแล้วปล่อยให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้แล้วแต่ท่านก็ยังรักษามันอยู่เพราะท่านยังเห็นว่าร่างกายมันมีประโยชน์อยู่เพราะร่างกายนี้สามารถนามาใช้สั่งสอนคนอื่นได้พระพุทธเจ้าก็เลยรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไปถึงสี่สิบห้าปีตัดจะรู้อายุสามสิบห้าแล้วตายอายุแปดสิบ สาบห้าบวกอีกสี่สิบห้าก็เป็นแปดสิบอีกสี่สิบห้าปีนี้เซนก็เอามาสอนธรรมะสอนให้คนที่ที่อยู่ในกองทุกข์ให้หลุดออกจากกองทุกข์กันสอนให้คนที่วุ่นวายใจไม่ให้วุ่นวายใจกับอะไรทั้งนั้นกลายเป็นพระสาวกขึ้นมาพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็อาศัยพระอรหันตสาวกแต่ละรูปนี้ช่วยกันขยาย เผยแผ่สั่งสอนไปเรื่อยเมื่อตอนต้นก็อยู่แถวประเทศเอินเดียต่อมาก็ขยายมาถึงประเทศพมา่าประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาไปญี่ปุ่นไปจีนไปเกาหลีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปทั่วโลกเลยก็เพราะว่าการมีร่างกายนี้ถึงจะทําให้เผยแผ่าศาสนาได้ถ้าปล่อยให้ร่างกายตายไปก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ได้ถ้าพระเจ้าตัดสัุวแล้วไม่กินข้าว ไม่กินน้ําไม่ถึงเดือนก็ตายแล้วตายแล้วก็จบไม่มีใครได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาไม่มีใครได้รับประโยชน์จากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้านอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะสามารถใช้ร่างกายนี้เผยแผ่ธรรมะสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้ พอผู้ไม่รู้ได้รู้แล้วก็จะได้รู้จักวิธีรักษาใจของเขาให้อยู่เนือความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ให้วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆได้ความวุ่นวายใจกับความไม่วุ่นวายใจอันไหนจะดีกว่ากันตอนนี้ใจเราไม่วุ่นวายใจเราสบายทําไมเราไม่รักษามันไว้ให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษาเหมันนั่นเอง เดี๋ยวพอร่างกายหิวร่างกายอะไรก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้กินไม่ได้อะไรเดี๋ยวร่างกายเจ็บก็ถ้าไม่ได้ขยับก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วต้องขยับแข้งขยับขาถึงจะหายวุ่นวายแต่ถ้ารู้จักฝึกถ้าจำเป็นจะต้องให้มันนั่งอยู่อย่างนั้นให้มันเจ็บอยู่งั้นก็ยังสามารถรักษาให้ใจไม่วุ่นวายได้ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้จะสามารถสอนใจให้ไม่วุ่นวายกับ ความเจ็บของร่างกายได้นี่แหละประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเอาไปไปไ ป, ปฏิบัติต่อวันนี้รู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างถ้าเราอยากจะรักษาใจให้เราไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็คือเราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา สมาธิก็คือความนิ่งแบบตอนนี้ตอนนี้เราก็มีสมาธิกันแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยถ้าสมาธิเต็มร้อยนี่มันจะเข้าไปข้างในมันจะร่างกายจะหายไปเลยจะเหลือแต่ตัวใจตัวเดียวใจจะกลับเข้าไปสู่ตัวใจตอนนี้ยังไม่ได้กลับเข้าไปตอนนี้เพียงแต่หยุดคิดเลือกเพราะตอนนี้เอาเอาความคิดมาฟังเทศแทนเอาใจมาฟังเทศเลยไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่น ก็เลยตั้งเฉยๆได้อยู่ในความสงบได้ถ้าเกิดไปคิดถึงเรื่องอื่นเช่นสมมติคิดว่าโอ๊ยลืมเปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดเตาไม่ได้ปิดเตาแก๊สอยู่ที่บ้านถ้าคิดถึงปั๊บนี่เดี๋ยวมันจะนั่งอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโกบ้านไหม้ต้องรีบกลับบ้านไปปิดดูวนะแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันมันจะไหม้เราก็ไม่รู้เราก็สงบของเราสบายไป อันนี้คือสมาธิแล้วต่อไปถ้าจะคิดก็คิดทางปัญญาว่ายังไงมันก็ต้องไหมอยู่ดีไม่ไหมมันไม่ไหมมันก็ต้องพังอยู่ดีบ้าน่ะสร้างมันไปห้าสิบปีร้อยปีมันก็ต้องทุบทิ้งอยู่ดีมีอะไรมันอยู่คงเส้นคงวาบ้างดูกรุงศรีอ ย, ยุธยาเลยมโหัวลามใหญ่โตขนาดไห น, นนี้ก็กลายเป็นซากปรักหักพังเลยถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญา คิดไปในทางความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันจะต้องมีวันจบมีวันหมดร่างกายของเราดูแลรักษามันดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายให้ใหญ่โตขนาดไหนร่ารวยขนาดไหนก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าถ้าต้องไปกังวลกับมันกังวลไปทำไมห่วงมันห่วงไปทำไมแล้วมันไปเปลี่ยนมันได้เปล่าเปลี่ยนแปลงมันได้เปล่าห้ามมันได้เปล่า มันก็ไม่ได้อยู่ดีไปวุ่นวายไปทําไมไปทุกข์กับมันทําไมพอมันเห็นด้วยปัญญามันก็ไม่ทุกข์มันก็เฉยเฉยไปดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยไปนี่คือปัญญาถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี้จะต้องมีวันสิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากเขาไปถ้าคิดอย่างนี้พอถึงเวลาจากไปก็ไม่วุ่นวายใจพอพอรู้ว่าวุ่นวายใจก็ต้องจากไม่วุ่นวายใจก็ต้องจากสู้จากแบบไม่วุ่นวายใจดีกว่าอยู่ก็อยู่ไม่วุ่นวายใจอยู่แบบสบายใจจากก็จากอย่างสบายใจ ถ้าเราคิดเป็นถ้าเราทำใจให้นิ่งเป็นสงบเป็นก็อยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบไปอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งต่างๆวุ่นวายไปก็ห้ามอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้ของทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือเงินหรือบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาญาสนิทมิตรสหายตายหมดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายด้วยกันทั้งไปวุ่นวายใจก็ไม่ได้เปลี่ยนปลีนอะไรทุกไปเปล่าๆทุกทำไมเหมือ น, นเห็นคนเห็นคนหนึ่งเตายก็อค้อนมาทุบศรีรษะไปทุบทำไมทุบแล้วทำให้คนตายมันฟื้นขึ้นมาหือเปล่า มันก็ไม่ฟืน้นเจ็บตัวเป่าเป่าเจ็บใจเป่าๆเจ็บใจเพราะอยากไม่ให้เขาตายพอเขาตายก็ไม่อยากให้เขาตายเลยเสียใจร้องห่มร้องไห้เราเอาเข้ากลับมาได้บ้าความเสียใจของเรามันเอาเข้ากลับมาไม่ได้สู้หัวเราะไม่ดีกว่าสบายไปได้มึงไปก็ไปถึงคิวมึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถึงคิวกูกูก็ตามมึงไป คิดอย่างนี้แล้วจะสบายใจเราต้องการความสบายใจไม่ใช่การที่เรามีสิ่งต่างๆนี้มีเพื่ออะไรมีเพื่อให้เรามีความสบายใจใช่ไหมแต่มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสิ่งต่างๆแทนที่จะให้เราสบายใจกลับให้เราทุกข์ใจเสียด้วยวุ่นวายใจเวลาได้มาใหม่ๆก็สบายใจสุขใจกันอยากได้นั่นอยากได้นี่พอได้มาก็ดีใจกันแล้วต่อมาก็ต้องมาวุ่นวายกับเขาเสีย มาห่วงเขาแล้วมาห่วงเขาแล้วแต่เวลาเขาจากไปก็วุ่นวายใจไม่สบายใจทุกข์ใจซู่อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่วุ่นวายใจดีกว่าอยู่กับพุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบเย็นสบายแล้วก็จะไม่ทุกข์กับอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกอย่างต้องไปนะทุกอย่างต้องหมดไม่มีอะไรอยู่กับเรา เราจะต้องจากเขาไปหรือเขาต้องจากเราไปเป็นธรรมดา mm hmm. เพราะฉะนั้นเราอย่าไปวุ่นวายใจกับเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปความอยากไม่ให้เขาจากเราไปหรือเราอยากไม่ให้เราจากเขาไปนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราวุ่นวายใจไม่ใช่การจากกันหรอก mm hmm. คนที่ไม่มีความอยากเขาจะไม่วุ่นวายใจถึงเวลาเขาก็ไป นี่คือวิธีการรักษาใจไม่ให้วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็คือต้องฝึกมีศีลหยุดหยุดเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่กับความสงบมาอยู่กับความสงบดีกว่าเอาความสงบให้ความสุขกับเราแล้วต่อไปเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา นี่คือเรื่องของการรักษาใจให้เรามีความสุขไปตลอดโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรดีก็่สุขแบบมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ต้องมาวุ่นวายไปกับการดูแลรักษาแล้วดูแลดีขนาดไหนในที่สุดก็ต้องเสียไปแล้วก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีสู้อยู่แบบไม่มีดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาคอยดูแลรักไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาอะไร รักษาใจตัวเดียวรักษาด้วยศีลรักษาด้วยสมาธิรักษาด้วยปัญญาพอถ้ามีศีลสมาธิมีปัญญาแล้วจบจิตจะสบายจะสงบไปตลอดฉนก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาและไปปฏิบัติกันเพื่อความสงบความไม่ความไม่วุ่นวายใจต่างๆใจจะมีแต่ความสบายไปตลอด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 จันโทปัะระโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายินูจตารูธรรมวาธานติ อายุวนโนสุ ข, ขังภาลางังมาพักอยู่เที่างล่างเหรอะพักกี่วันเนะ น, นี่ยพักได้กี่วันละ ว, วันที่สองละอมืมาจากที่ไหนอัฐ ย, ยาเนี่ยเคยมาอยู่ปะคร<ช>ั้งแรกเหรอ ใ่รแนะนำมาเลยเพื่อนเอนนะีที่วัดข้างหน้าเขาก็ให้อยู่ได้ข้างวัดเจ็ดวันนุ่มขาวห่มขาวอตอนเย็นเขาก็ให้ลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเช้าตีสี่ก็ตีะระฆังให้ไปนั่งสมาธิในโบสถ์กันแล้วพอประมาณตีห้าก็สวดมนต์ เราต้องการก็สามารถโจทย์หนูโทรจองที่พักใช่ไหมมาเลยเลยอพอดีมีที่ว่างถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนี่จะแต่ง ม, มีคนเข้าจองไว้ก่อนถ้าถ้าอยากจะให้แน่ใจก็ถามที่สํานักงานว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรแล้วก็วโทรจองไว้ก่อนล่วงหน้าเบอร์โทรศัพท์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวนี้ไม่ทราบเบอร์อะไรก็ไม่รู้เบอร์ในที่ใสไว้ในเว็บไซต์มันอาจจะไม่ใช้ไม่ได้แล้วออฮะในสมุดมีใช่ไหมเลอะพูดดังๆเลยเผื่อญาติโยมทางบ้านอยากจะศ8 1 5 8แปดหนึ่ง้าแปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปด เราต้องโทรภายในเวลาทำงานแปดโมงถึงสี่โมงครึ่งหมว่าว่าใหม่อีกทีนะ่ยศูนย0แปดหนึ่งห้าแปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดค่ะใครเมมไว้หน่อยมเผือคราวหน้าออถ่ายเลยนะหนึ่งยีเก้าเอา เดี๋ยวนี้ข่าวสารกระจายกันได้อย่างรวดเร็ ว, วนี่ก็มีคนต่างประเทศติดตามอยู่ทุกวันอยู่นอร์เวย์สวีเด น, นญี่ปุ่นใช้เซลฟี่ไทยเลยสลับเลยทำไมไม่มันมันมันจะอ่านผิดนะอ่านเป็นแบบกระจกนะ <c oughs> ออมันอ่านไม่ได้ไมันต้องจ อ, อ, <ด>องที่พักได้พักได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเพราะต้องแบ่งกันเป็นหอพัก เ, เป็นห้องห้องอยู่ในอาคารเดียวกันสองชั้นมีสองอาคารด้วยกันอาคารละสิบห้องหรือยี่สิบจำไม่ได้ สักแคยี่สิบชั้นบนสิบชั้นล่างสิบสองอาคารก็อยู่ได้ประมาณสี่สิบพักแล้วก็ตอนบ่ายก็อยากจะมาขึ้นมาฟังธรรมก็ขึ้นมาฟังธรรมได้สองโมงถึงสี่โมงมีใครอยากจะถามอะไรไหม วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่วันนี้เข้ามาสามอยดสิบแปดค่ะทางยูทูบสามเป็หกค่ะถ้ า, า, ถ า, ถายัางอยากจะอยู่ต่อก็จะถามให้เขาถามคําถามเข้ามาถ้าใครอยากจะกลับก็กลับก็ไดไ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมก้าอยากจะนั่งฟังก็นั่งฟังได้ใครมีธุระอยากจะกลับก็กลับได้ ไม่เสียมารยาทนะไปได้ถ้าอยากจะไปอะเอาคำถามเข้ามาเลยคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณโชคดีเวลานั่งสมาธิแล้วง่วงทำไงดีคะตะนอนสิง่วงก็นอนให้มันหายง่วงแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งใหม่ สมาธิดีใช่ไหมคะก็ะจะได้อย่างน้อยนอนหลับสบายนอก <c oughs> จากว่าถ้าไม่อยากจะนอนก็ต้องฝืนอสมมว่าเรายังอยากจะนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะง่วงยังยังอยากจะนั่ ง, งนี้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินอเอาน้ําลูบหน้าลูบตาหรือไปเดินหรือไปนั่งที่มันน่า ก, กลัวหน่อย อ, ออกไปนั่งที่ในสวนหรือนั่งที่ไหนที่ ถ้าไปที่ป่าช้าได้ก็ไปไปที่มันน่ากลัวแล้วมันจะไม่ง่วงหรือถ้าไปไม่ได้ก็ถ้าอยากจะนั่งสมาธิแบบไม่ง่วงก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องอดข้าวเย็นอยากกินข้าวเย็นถือสิ้นแปดอย่างเงี้ยกินแค่เที่ยงวันพอตกเย็นแล้วมันจะไม่ง่วงมันจะหิวนิดหน่อยก็ต้องอดทนเอาเกิดจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้เอาความสุขทางร่างกาย กับความสุขทางใจนี่มันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าความสุขทางร่างกายมันก็จะง่วงเขาเรียกว่าหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนถ้าอยากจะให้หนังตาไม่หย่อนก็ต้องอย่าให้ให้อย่าให้หนังท้องมันตึงก็ต้องกินน้อยๆกินจนความอดไปจนกว่ามันจะไม่ง่วงถ้าถ้าไม่กินข้าวเย็นยังง่วงอยู่ก็ลองอดเป็นทั้งวันเลยไม่ต้องกินข้าวสักวันหนึ่ง ดูเสียวมันจะง่วงไหมถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิจริงๆนะต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากจะนั่งสมาธิจริงๆถั้งง่วงก็นอนเถิดล ร, ราเวลาไม่ง่วงค่อยมานั่งแต่มันก็จะได้น้อยมันจะนั่งไม่ได้มากเพราะเดี๋ยวนั่งทีไรมันก็จะง่วงทุกทีบางทีมันไม่ง่วงอ่ะแต่กิเลสมันจะทำให้เราง่วงเหมือนเวลาเรา ฟังอะไรที่เราไม่ชอบฟังฟังทางเทศบางทีนั่งสบงบแต่ถ้าได้ฟังเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องอะไรนี้ข่าวสารนี่โอ้ตื่นขึ้นมาเลยคำถามจากคุณสุวัฒนาถ้าไม่อยากลงสู่อบายและอยากออกจากสังสาาวัดต้องเริ่มจากอะไรหรือทำอย่างไรคะก็ละการกระทำบาปทัทป้งปวงต้องไม่ทำบาป ต้องป่วงคือไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดดเดือมสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดค้านความเกลียดค้านข อ, องพวกนี้ต้องเลิกให้หมดแล้วรับรองนะ่ตายไปจะไม่ไปอบายแล้วถ้าอยากจะออกจากสังสารวัฏก็ต้องไปบวชไปถือศีลแปด ไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาแล้วก็จะสามารถหยุดยุดติการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากคุณมีแต่วันนี้ที่มีค่าเวลาไห้พระสวดมนต์จำเป็นไหมคะต้องจุดทูกเทียนทุกครั้งอ๋อไม่จำเป็นหอะแล้วแต่เราจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ คำถามจากคุณพิมพรการที่เราไปวัดไปทําบุญไปฟังเทศไปทําไปฟังธรรมแต่มีคนว่าหนูว่ายายถือศีลหนูไม่เคยว่าใครเลยหนูเคยดีกับเขามาตลอดหลายปีแต่ตอหนูรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้หนูก็ไม่คุยด้วยเลยค่ะแต่หนูก็ไม่พูดอะไรไม่โกรธหนูคิดว่าเขาทําบุญแบบเราไม่ได้ถามค่ะว่าการที่เขาว่าเราแบบนี้เขาบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้พูดปวดเขาก็พูดความจริงคำถามจากคุณพานวัฒน์อยากเรียนสอบถามว่าสภาวะธรรมคืออะไรหรอครับพ่อจะยกตัวอย่างให้ทราบได้ชัดๆไหมครับ อ, อ๋อทุกอย่างนี่แหละเป็นสภาวะธรรมหมดร่างกายนี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง เ, เหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็เรียกว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง รูปต่างๆที่เราเห็นก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเสียงที่เราได้ยินก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งอะไรทั้งนั้นน่ะที่เราสัมผัสรับรู้ด้วยใจของเรานี่ที่เกิดแล้วดับนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นคำถามจากคุณสีดาพ่อเป็นคนที่มีความคิดและการทาที่ผิดๆจนทำให้เราไม่พูดกับพ่อเลยบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เราไม่ได้ไปด่าพ่อก็แม่ แต่ก็ไม่เป็นบุญท่านนั้นเองเราเป็นลูกเราก็ควรที่จะมีความเมตตาต่อพ่อควรจะพูดคุยกันให้พ่อมีความสุขอย่าให้เขาเหงาอย่าให้เขารู้สึกว่าเราเขาถูกทอดทิ้งถ้าไม่พูดกับไม่คุยก็เหมือนกับไม่ได้ทำบุญกับพ่อไม่มีความเมตตากับพ่อ ช, ชอบไปแผ่เมตตาตอนนี้นั่งสมาธิคนเดียวนั่งสดก็แผ่ใหญ่เลย ไม่มีคนรับเลยแผ่ตอนนั้นต้องไปแผ่ตอนที่เจอพ่อสิเจอพ่อก็ถามพ่อสบายดีไหมพ่ออยากจะกินอะไรพ่ออยากจะทำอะไรให้หนูช่วยไหมนี่แหละเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่พอเจอกันก็หน้าบึง้งเตึงใส่กันเลยอยางนี้ไม่เรียกไม่ได้เรียกว่าแผ่เมตตาอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเสร็จสวดมนต์อย่างตอนที่เราสวดมนต์ในบทเสร็จแล้วก็นั่งแผ่กันไม่ได้แผ่ให้ใครเลย ก็ได้ตอนนี้เราแผลเรือเปล่าไม่แผลก็ไม่ได้เลยถ้าอยากจะแผลก็ขนมมาแจกกันไงใช่ไหมนั่งเฉยๆแล้วบอกสัพเพสัตตานี่มันไม่ได้แผลอะไรมันเป็นเพียงแต่ความคิดเท่านั้นเองความคิดแล้วมันต้องมีการกระทําตามมาแผลเมตตาก็ประกาศเลยว่าอ่พรุ่งนี้จะเลี้ยงข้าวฟรีที่วัดใครอยากจะมาก็มาเอ อย่างเนี้ยแผ่เมตตาแล้วเวลาอาจารย์เวลานั่งสมาธิที่เราเห็นว่าร่างกายที่เราเคยเผามาแล้วมันหมายความว่อย่าไรอา้าวก็มันก็คิดได้มันอดีตมันมปความคิดเท่นั้นเองมันไม่หมายความว่าไงมันอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เราก็ไม่รู้ที่เห็นเราตายไปแล้วเอแล้วราคาจะมายืนยันว่ามันจริงก็ไม่จริงนั่นแหละสิไม่รู้เหมือนกัน ก็รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยวางมันไม่ได้มาทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากมันทําให้เราเชื่อว่าชาติก่อนเรามีร่างกายนี้จริงแล้วร่างกายชาตินี้ก็จะต้องเป็นเหมือนชาติก่อนนี้ก็มันก็จะทําให้เกิดวิปัสสนาขึ้นมาถ้าคิดแบบนี้หรือว่าเราฝัานว่าเราคิดว่าเราเห็นร่างกายเก่าเราตายไปเราก็ย้อนกลับมาดูที่ร่างกายใหม่ร่างกายที่เป็นอันนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้อง ถูกเผาเหมือนกันใช่ไหมอ่าให้คิดอย่างนี้บ่อยๆมันจะได้ปรงได้มันจะได้วางได้จะได้ไม่ยึดติดกับร่างกายอันใหม่นี้เดี๋ยวมันก็ต้องเป็นเหมือนร่างกายเก่าเราไปกลัวทำไมเดี๋ยวมันตายไปเผาไปแล้วก็ได้ร่างกายใหม่แก่ใช่ไหมกเสียดายใช่ไหมคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสบายใจแล้วถ้าจะคิดให้ดีก่อนี้ซูไม่เอาร่างกายอันใหม่ดีกว่า มีกี่ร่างเดียวก็ต้องถูกเผาทุกททุกล่างอกีกอะก็อย่ามาเกิดดีกว่าถ้าไม่เกิดก็บวชต่อไปไม่ต้องกลับบ้านคำถามจากคุณจิรพัฒพระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าเรียนรู้ธรรมจากพระสงฆ์ควรเรียนรู้จากพระรู้แจ้งเห็นธรรมแล้วจึงจะนำพาให้พ้นทุกได้ ในฐานะคารืหัดที่ภูมิจิตไม่รู้ไม่รู้ว่าพระรูปไหนใช่หรือไม่ใช่พิจรารณายอย่างไรครับที่ผ่านมาจะทราบก็ต่อเมื่อได้เห็นพระธาตหลังหลักท่านลาแล้วสังขารแล้วมันก็เหมือนกับเราไปซื้อรถยนต์เนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนที่เขาซื้อกันหลายๆคนถ้าถ้าบริษัทนี้มันผลิตรถไม่ดีมันก็ขายไม่ออกใช่ <c oughs> ไหม <c oughs> ก็เหมือนกันถ้าเราจะไปหาครูบาอาจารย์ก็ดูองค์ที่มีคนเคารพนับถือแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบไปกว่าสิ่งที่ท่านสอนนี่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าบางคนอาจจะมีคนเคารพนับถือมากแต่อาจจะมาสอนไม่ตรงกับคาสอนของพระพุทธเจ้าก็สแสดงว่าไม่ใช่เพราะคนเรามันมีความรู้หลายอย่างและคนก็อาจจะไปชอบการ หลายอย่างไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบดาราภาพยนต์ชอบอะไรก็เขาก็ไปเคารพนับถือดาราภาพยนต์กันบางคนก็เคารพหมอดูเขาก็ไปอล้วนนอกจากดูว่ามีคนมีเคารพนับถือมากน้อยแล้วเราต้องดูว่าสิ่งที่เขาสอนนี่ตรงกับที่พระเจ้าสอนหรือเปล่ า, างนั้นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะขาดก็คือเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อน เราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วทีนี้เราเราก็ไปดูครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นว่าท่านสอนตามที่พุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าแล้วครูบาอาจารย์ของท่านท่านเป็นอย่างไรเ ร, เราดูได้เนี่ยครูบาอาจารย์ของของของครูบาอาจารย์ที่เราจะไปศึกษานี่ว่าท่านตายไปแล้วก็ดูท่านกลายเป็นพระธาตุหรือเปล่าก็มันก็มีอะไรที่พอที่จะ ทำให้เรามีความมั่นใจได้อย่างลูกศิษย์ของหลวงปูมป่มั่นกูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านไปศรรึกษากับหลวงปูม่มั่นหลวงปู่มั่นท่านตายไปท่านกระดูกก็กลายเป็นพระธาตุแล้วอาจารย์ที่ไปศรรึกษากับท่านท่านก็มาสอนแล้วก็มีคนเคารพนับถือกันแล้วเวลาที่ท่านตายไปท่านกระดูกท่านก็กลายเป็นพระธาตุนั้นลูกศิษย์ที่ไปศรรึกษากับท่านในต่อนหนึง่งมันก็น่าจะมีโอกาสเป็นพระธาตุได้เหมือนกันใช่ไหม แล้วก็ดูด้วยว่าคําสอนที่ท่านสอนนี่ตรงกับที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสีนี่ท่านสอนหรือเปล่าเรื่องอริยสัจสี่ท่านสอนเรื่องไตรลักษณ์สอนหรือเปล่าเราก็ต้องเราก็ต้องค้นคว้าบ้างศึกษาบ้างมันไม่ยากหรอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีไม่กี่พระสูตนที่เราต้องศึกษาทำมาจากกับวัตนะสูตรอนัตตลักษณ์พนาสูตรสติปัฏฐานาสูตรมงคลละสูตร อาทิตยาสูตรเนี่ย 4, สี่ห้าสูตรเนี่ยก็พอละเราก็จะรู้ว่าถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนนี่สอนตามที่พระเจ้าสอนหรือเปล่าคำถามจากคูนูดดี้ทาง YouTube คะ่ะขอโอกาสถามข้อสงสัยครับพระอารหันต์สามารถรู้ได้ไหมว่าใครบรรลุทำขั้นต่างๆแล้วแล้วผู้ที่ถึงพระโสดาบันแล้ว เขาจะสามารถดูได้ไหมว่าเขาถึงแล้วก็เหมือนคนที่จบปริญญาเอกจะสามารถเห็นคนที่จบปริญญาเอกได้หรือเปล่าจะรู้ได้หรือเปล่าว่าเขาจบปริญญาเอกถ้าดูเฉยๆก็ยังอาจจะไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันต้องดูการกระทําของเขาถ้าเขาเป็นหมอก็เปิดคลินิกแล้วรักษาโรคได้นี่เราก็ ถ้าเราเป็นหมอเราก็จะรู้ว่าเออเขาเขาเป็นหมอหมอจริงก็หมอเทียมก็ต้องดูพฤติกรรมของเขาด้วยแล้วถ้ายังไม่พอก็อาจจะต้องคุยกับเขาเพราะพฤติกรรมนี้อาจจะเรียนแบบกันได้แต่ต้องถามเขาว่าวิธีที่ทําให้เขามาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไรเขาทาอย่างไรเยันพระอรหันต์กับพระอรหันต์หรือพระริยาเจ้ากับพระริยาเจ้านี่ท่านจะรู้ ก็ต่อเมื่อท่านได้คุยกันแต่การเห็นกันนี่ก็เห็นก็รู้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะสามารถแยกแยะได้จากการจากพฤติกรรมของคนถ้าเห็นคนนี้กินเหล้าเมายาก็ตัดไปได้เลยเป็นไป <c oughs> ใช่ไหมแต่มันมันก็มีวิธีที่เราจะต้องค่าๆว่าแยกแยะออกไปตัดประเด็นไปเธอประเด็นคนนี้มีศีลเน่ยทาทางจะเป็นพระอริยะเจ้าได้ ตอนนี้นั่งสมาธิได้หรือเปล่าตอนนี้ตัดกิเลสได้หรือเปล่าก็อย่างเงี้ยคุยกันไปแล้วดูไปดูพฤติกรรมไปมันก็พอจะอ่านออกกันได้แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าเราก็ดูไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าคุณสมบัติของพระอริยเจ้ามีอะไรบ้างก็เหมือนกับคนที่จบปริญญาตีโทเอกเนี่ยถ้าไปคุยกับคนที่ไม่คนที่จบแล้วไม่จบเดี๋ยวคุยกันก็รู้เรื่อง ถามวิชานี้เรียนมาหรือเป่าวิชานี้เรียนมาเปล่าถ้าไม่เรียนมาก็มันจะไปจบได้ไงใช่ไหมออันนี้ก็แบบเดียวกันนะภาริยาเขาก็ต้องผ่านวิชาต่างๆมาผ่านศีลสมาธิปัญญามาทั้งนั้นเองเพราะถามกันคุยกันเดี๋ยวเดียวก็รู้แต่เราต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่ได้เป็นเราก็จะไม่มีวันรู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่ายันนี้เราไม่ได้จบปริญญาตรีแล้วไปคุยกับคนที่จบปริญญาตรี แล้วก็ไม่รู้คเขาจบจริงหรือไม่จบจริงเพราะเราไม่มีมาตรฐานที่จะไปวัดเขาคำถามจากคุณกุ้งลูกอยากขอความเมตตาสอบถามเรื่องการข่มใจในชีวิตทํางานมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจกันเราควรนิ่ ง, งๆเฉยๆหรื อ, รอตอบโต้เคลียร์ไปเลยเจ้าคะมันก็แล้วแต่เหตุผลถ้าจําเป็นจะต้องเคลียร์ก็เคลียร์ถ้า ถ้าไม่จำเป็นต้องเคลียร์หรือเคลียร์แล้วก็ไม่เคลียร์ไม่ได้ก็เฉยๆไปเพราะบางทีเขาไม่ต้องการให้เคลียร์ก็ได้เขาจะว่าเราด่าเราเพียงอย่างเดียวเขาปล่อยเ้าด่าไปว่าไปสาธุไปในใจจะได้สบายใจคำถามจากคุณพัสกรการที่เราเห็นคนอื่นเข้าวัดมาเพื่อผลประโยชน์เราควรปล่อยวางไหมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหร่ ทุกคนก็เข้าไว้ก็เพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นเป็นแต่ว่าประโยชน์ทางไหนประโยชน์ทางธรรมก็มก็เป็นสิ่งที่ควรจะตักตวงกันที่มาวัดนี้ก็มาตักตวงผลประโยชน์ทางธรรมปันทั้งนั้นอยากจะได้ธรรมะ ก, กันไม่ใช่เลยกลับไปได้หนังสือกลับไปนี่ก็ได้ตักตวงผลประโยชน์จากวัดแล้วแต่เป็นสิ่งที่วัดยินดีให้ไม่ได้มาลักขโมยไม่เป็นไรไม่ได้มาช่อกงวัด ต้องถามจากคุณหญิงเคยพิจารณาถึงความตายในขณะนอนอยู่ห้อง i อ u เกิดมีมิตรขึ้นมาพอเห็นภาพโบสหรือพระใจมันจะฟูพอเห็นภาพอุโมงค์มืดมืดมีภาพมือเต็มไปหมดใจมันก็จะหมองใจเห็นสภาวะใจฟูใจหมองแหว่งไปมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาในขณะนั้นควรพิจารณาอย่างไรดีคะไม่ควรไปสนใจภาพเหล่านั้นควรจะอยู่กับคาบาลีคำพุทโธพุทโธ ก็ให้ใจสงบจะดีกว่าพราภาพเหล่านั้นมันเป็นภาพลวงทั้งนั้นภาพหลอกทั้งนั้นอยู่ที่ใจผลิตสร้างขึ้นมาถ้าคิดถึงเรื่องดีมันก็ทําให้ใจสบายพอไปคิดถึงเรื่องไม่ดีก็ทําให้ใจทุกข์ไม่สบายใจแต่เราสามารถควบคุมภาพเหล่า น, นี้ได้ถ้าเรามีพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวภาพต่างๆก็จะหายไปก็เหลือแต่ความว่างพอว่างแล้วก็จะทําให้ใจเราสบาย คำถามจากคุณสมศรีขอสอบถามว่าเคยเข้าปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติได้เห็นภาพในนิมิตเราจะต้องแผ่เมตตาให้สิ่งที่เห็นหรือสักแต่ว่าเห็นเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ต้องแผ่หล้วสักแต่ว่าเห็นไปเฉยๆก็พอคำถามจากคุณอมรอทำอย่างไรให้ใจเรามีมุติตาจิตมากครับ ก็ต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนเราไนงะเวลาเขาได้ดิบได้ดีก็คิดว่าเราได้ดิบได้ดีแล้วเราก็จะมีความสุขกับการได้ดิบได้ดีของเขาเราก็จะมีมุติตาจิตยินดีกับเขาการที่เห็นคนอื่นก็มีความสุขเนี่ยมันควรจะทําให้เรามีความสุขไปกับเขาด้วยอย่าไปอิจฉาลรือเสถ้าเราอิจฉาหรือเสเราก็จะมุติตาไม่ออก คำถามจากคุณเดนนี่แผ่เมตตาให้คนตายทำยังไงครับแผ่ไม่ได้หรอกแค่แผงั้นอ่ะแผ่แล้ที่ให้แผ่เนี้ยให้แผ่คนเป็นเนียที่เราจะเรามาฝึกแผ่เมตตากันนี่มาฝึกเพื่อมามาแผ่กับคนเป็นเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยกันเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยไม่ค่อยแผ่กันเท่าไหร่ชอบตีกันชอบด่ากันชอบว่ากันอยู่เรื่อยอันนี้ไม่ได้แผ่เมตตา แผ่เมตตก็คือให้มีความปรารถนาดีหวังดีกันแล้วถ้ามีอะไรเสียหายผิดพลาดก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษกดเคืองกันนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาคนตายไปแล้วเขาไปแล้วเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วติดต่อกันไม่ได้แล้วจะไปแผ่ยังไงพวกเราชอบคิดอยู่เรื่องการแผ่เมตตานี่ต้องแผ่ให้แต่เฉพาะดวงวิญ ญ, ญูงดวงวิญญาณที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย เราแผ่ก็ไม่รู้แผ่ยังไงบอกแผ่เมตตาี้ฐานจริงๆก็แผ่ไงสวดไปเหรอสวดแล้วมันจะแผ่อะไรเหรอนั่นไม่คำสวดนี่ไม่ได้เป็นคําแผ่คาสวดนี่เป็นคําสอนให้เราแผ่ความสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราไปต่อความปรารถนาดีเความรักเนี่ยก็แล้วแผ่เมตตานี่ก็คือให้แผ่ความรักเข้าใจไหมนะี่ดวงวิญญาณเขาไม่ไม่มาติดต่อกับเราเราจะไปส่งความรักให้เขาได้ไง เราก็ส่งให้กับคนที่เขารับได้สิคนที่รับได้ก็คนที่เราเจอนนเนี่ยนี่ถ้าโยมเดินไปไหนเจอใครก็ฟักแบง้อยให้เขาฟักแบง้อยเข้าไปนั่นแหละแผ่เมตตาแล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละวิธีแผ่ต้องแผ่แบบนั้น <c oughs> ไม่ใช่นั่ง แ, แผ่แบบคิดไปในใจสัพเพสัตตาอเวราโหตุเนี่ยแผ่ไปแล้วไม่ได้แผ่แล้ว คำถามจากคุณสมฤทรือไทยถ้าเรามาปฏิบัติทำแล้วถือสีนแปดไม่ได้ได้ไม่ครบทั้งแปดข้อตามที่ตั้งใจไว้เราจะบาหรือเปล่าคะไม่บาเปเพียแต่ได้ไม่เต็มถ้าสอบก็ไม่ได้เต็มร้อยถ้าทำได้เจ็ดข้อก็ได้เจ็ดในแปดคำถามจากคุณมินินั่งฟังพระอาจารย์ตอบคาถามเกือบทุกวันแรกๆก็เข้าใจไม่ถูกหลายเรื่อง แต่พอฟังบ่อยๆก็เริ่มเข้าใจว่าการละความชั่วความอยากความสุขมักน้อยสันโดษคือแนวทางปฏิบัติเพื่อรักความเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้วละความอยากความอยากเป็นต้นเหตุที่พาให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายกันถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเรากไ็ไม่ต้องมีร่างกายตอนนี้เรายังอยากใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ พอไม่มีร่างกายอันนี้เราก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายอันนี้แล้วร่างกาย น, นี้ตายไปเราก็ไม่ต้องหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นน เ, เดี๋ยวเดี๋ยวถามหนึ่งศีลแปดไม่ดีหน่อยเมื่อกี้เ้าบอกว่าถ้ารักษาไม่ครบก็อยู่ที่ว่าขาดข้อไหนนะข้อบางข้อก็บาปนะถ้าไปขาดข้อที่รักย์ประพฤติผิดประเวณีนี่ก็บาป แต่ถ้าขาดข้อเรื่องไม่ได้กินข้าวเย็นนี้ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญถ้าขาดขาดในในสีลห้านี้บาปแต่ถ้าขาดในสีลที่สินหกเจ็ดแปดนี้ไม่บาปคำถามจากคุณไหมการวางจิตเป็นอุเบกขาทํำยังไงครับเนี่แหละก็ต้องฝึกสมาธิเนี่ยพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตสงบแล้วจิตก็จะเฉยจะไม่ทุกข์ กับอะไรจะไม่วุ่นวายไปกับอะไรตอนนี้หมดแล้วค่ะแลนวเดี๋ยวก็พักก่อนออยายมยังคิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการสวดใช่ไห ม, มเวล า, าสวดมนต์เสร็จก็สวดบทแผ่เมตตาเนีมันไม่ได้แผ่มันก็เหมือนสวดบทอื่นนะี่หะเวลาสวดบทอื่นแผ่หรือเล่า มันก็ไม่ได้แผลเนีย่ยเป็นลาสวดเอติปิโซ น, นี่แผลวะ<ช>่ะแล้วพอมาสวดสัพเพสตาปั๊บแผลเลยเลยมันจะแผลอะไรมันก็มันก็แผลคาสวดเท่านั้นอ่ะถ้าช่วยได้ถึงจิตใจค่ะเอ่คือถ้าเราโกรธใครแล้วเราแผลตอนนั้นแล้วหายโกรธเขาโอเคแต่ว่าเราเกลียดใครนั่งสวดมนต์โกรธยังโกรธอยู่นั่นอ่ะพอมาสวดบทแผ่ไมตาปั๊บหายโกรธเลยเอ่าถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้ มันต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆก็สวดไปแล้วบอกแผ่เมตตา mm hmm. หรือว่าเราทุกร้อนกับนูกนี่ไม่ยอมจ่ายหนี้สักที mm hmm. โกรธเกลียดเขาโมโหเขา mm hmm. ก็แผ่เมตตายกหนี้ให้มันไปเลย mm hmm. ไม่เอาไว้เอออย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้ก็หายโกรธเลยเย็นสบาย มันต้องมีอะไรให้เกิดผลในใจเลยไม่ใช่สวดไปเฉยๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจเราในแสดงว่าไม่ได้แผ่อะไเวลาแผ่แล้วมันต้องได้ความสุขใจกลับมาถึงจะเรียวกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เวลาเจอผีก็แผ่ให้ไปเร็วๆไปเร็วๆแผ่เมตตาอันนี้ก็ไม่ได้แผ่เขขับไล่เขาถ้าแผ่เมตตาก็ต้ชวนเขาอยู่สิ าถามว่าด้มีสาระทุกเป็นยังไงไม่สบายเลยเดือดร้อนอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้หรือเปล่าไม่ใช่พอเห็นผีมาก็แผ่เมตตาดวงวิญญา้ิไปนะไปเล ย, เยมันไม่ใช่แผ่แล้วไล่เขาอะ่ะคำถามจากคุณปรียาการสวดมนต์ก่อนนอนเองที่บ้านควรจะสวดบทไหนคะแล้วแต่ชอบบทไหนก็สวดได้ การสวดนี้สวดเพื่อให้ใจสงบให้มีสติให้ระ ง, งับความฟุ้งซ่านต่างๆถ้าเราชอบบทไหนสวดแล้วทำให้ใจเราสงบก็เอาบทนั้นมีโยมคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งพยายามพุทธโธพุทธโธเท่าไหร่ไม่ค่อยสงบเลยแล้วเขาเลยลองสวดมนต์ดูเพราะว่าสวดแล้วจิตสงบก็ได้วิธีไหนก็ได้แต่ละคนอาจจะถูกจริไม่เหมือนกัน การสวดมนต์บทต่างๆก็เหมือนกับกินอาหารชนิดต่างๆนะกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันส่วนบทไหนถ้าสวดแล้วาทาให้เราอิ่มเราก็สวดบทนั้นไปก็แล้วกั น, น, นคือหลวงสายว่าเคย อ, อ่านบอกใช่ไหมฮะว่ า, ามีการเข้าออกฌานนะฮะก็ต้องฝึกทีเที่ยวเข้าแล้วก็ออกนี่เองค่อออกนี่มันง่ายเข้านี่มันยาก ถ้ามันเข้าแล้วเดี๋ยวถึงเวลาออกมันออกเองเราไม่ต้องไปสั่งมันเพราะมันมีตัวคอยดันออกอยู่เรื่อยๆตัวที่ดันออกก็คือกิเลสกิเลสมันชอบดันใจให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่ประโยชน์ของการที่จะปึกเข้าและก็ออกนี่ค่ะเพราะว่าเวลาเข้าก็เหมือนเราอยู่ข้างนอกมันร้อนเข้าข้างในแล้วมันเย็นไงเหมือนเวลาเราอยู่ข้างนอกบ้านมันร้อนพอเราเข้าไปในบ้านเราเปิดแอร์ในบ้านเรามันก็เย็น แต่เรามันเข้ายากเพราะว่ามันมีตัวคอยดันเราออกอยู่เรื่อยๆความคิดของเราเนี่ยมันคอยดันเราออกเราเลยต้องมาหยุดความคิดมันถึงยากเพราะเราไม่ค่อยสามารถหยุดได้พอเราพุทโธได้สักไม่ถึงห้าวินาทีก็ไปคิดแล้วแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธได้เรื่อยๆมันก็จะดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงเข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันไม่มีไม่ไม่หยุดพุทโธเลยนะเดี๋ยวมันก็สงบพอสงบแล้วมันก็เย็นสบายมีความสุข ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องพุทโธแล้วเพราะว่าไอตัวที่ดนออันมันหมดกําลังตัวที่จะดันเราออกมันมันหมดกําลังมันหยุดมันไม่สู้เราไม่ได้แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอมันมีกําลังใหม่มันก็จะดันให้เราออกถ้าเราอยากจะอยู่ต่อเราก็ต้องพุทโธต่อแต่ถ้าเราต้องออกไปทําธุระทาอะไรแล้วก็ออกมาหรือถ้าเราอยากจะออกมาเจริญปัญญาแล้วก็ปล่อยให้มันดันออกมาแต่พอออกมาแล้วอยากปล่อยให้อย่าปล่อยให้มันคิดตามที่มันเคยคิด มันเคยคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็อย่าไปให้มันคิดอันคิดไปในทางอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจะไปหาอะไรก็บอกว่าสิ่งที่เราไปหานี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรามันจะได้ตัดได้ถ้าจะไปหากาแฟก็บอกมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปหาขนมนก็บอกมไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปอันนี้เรียกปัญญา ถามมาคำถามจากคุณสองเราจะแนะนำธรรมะข้อไหนให้คนที่เลี้ยงสุนัขจรนจัดจนเป็นนี่พันล้านตัวคะก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักกาลังของตัวเองการช่วยเหลือคนอื่นอย่างก็ะั่งทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่ก็ทําเกินละต้องทําพอดีเหมือนกับ ก, กินข้าวนะกินมากเกินไปก็ทําให้โครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้น้าหนักเกินอย่างเงี้ย แล้วก็มีโรคความดันเบาหวานโรคอะไรต่างๆนี่อันนี้เรียกว่าทำเกินขนาดถึงแม้ว่าอาหารจะดีขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหนถ้ากินเกินขนาดมันก็กลายเป็นพิษขึ้นมาได้เป็นโทษกับร่างกายได้การทําบุญก็เหมือนกันการทําบุญถึงว่าจะดีขนาดไหนถ้าทําเกินขนาดมันก็กลายเป็นโทษได้เช่นเลี้ยงหมาจะกระทั่งเป็นหนี้เป็นศินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะมาเลี้ยมัน อันนี้เราก็ต้องหัดเจริญอุเบกขาบ้างว่าสัตว์ทั้งหลายมีมีบุญมีบาปเป็นของของเขาสัตว์บางตัวมีบุญมากมันก็เราก็เราก็ได้เลี้ยงมันสัตว์บางตัวมันบาปมากด้วยบุญน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงมันเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงมันได้ก็ต้องปล่อยมันไปตามบุญตามบาปของมันเราก็ทาเท่าที่เราจะทาได้เหมือนกับเราแบกของหนักๆเนี่ยถ้าเราแบกมาก แบบหนักเกินไปหนังก็หักได้แล้วพอหนังหักเราก็จะทำอะไรไม่ได้นี่ถ้าเราไปเป็นหนี้เป็นสินเขาเดี๋ยวถูกเข้ามายึดเข้าของเงินทองไปเดี๋ยวก็เนื้อถูกจับไปขังคุกขังตารางเราก็จะไม่สามารถเลี้ยงหมาตัวอื่นได้แต่ถ้าเราเลี้ยงหมาตามกําลังของเราเราก็จะเลี้ยงมันไปได้เรื่อยๆนั้นทำอะไรท่านบอกให้รู้จักประมาณความพอดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี ต้องพอดีกับกําลังของเรากําลังทางการเงินการทองทางทองการกําลังของสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราทําไปตามกําลังแล้วก็อย่าให้เราเดือดร้อนหรือผู้อื่นเขาเดือดร้อนกับอากการกระทําของเราถึงจะเรียวกว่เป็นการทําบุญที่ถูกต้องคําถามจากคุณจันษาสําหรับผู้ปฏิบัติแล้ว จะสามารถเห็นจิตในขณะที่อยู่ในการทำกิจวัตรปกติได้ไหมครับหรือว่าจะเห็นจิตตอนเฉพาะตอนวางอารมณ์ครับก็ตอนตอน้นก็ต้องเห็นจิตอตอนวางอารมณ์ก่อนจะได้รู้ว่าตัวจิตเป็นอะไรพอเรารู้แล้วเราแรกยกแยกตัวจิตออกจากอารมณ์ได้เวลาเราทำอะไรเราก็แยกจิตออกจากอารมณ์ต่อไปได้เวลาเกิดอารมณ์ก็รู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่จิต อารมณ์เกิดดับเกิดดับเหมือนเสียงที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตเสียงมันมาปุ๊บมันก็หายไปพอเกิดเสียงปั๊บอารมณ์ก็เกิดปั๊บเกิดปั๊บมันก็หายไปปั๊บจิตคือตัวรู้ก็ให้รู้เฉยๆไปอย่าไปมีปฏิกิริยากับอารมณ์อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่มากระทบกับจิตแต่ตอนนี้เรามันเห็นจิตกับอารมณ์เป็นตัวเดียวกันพออารมณ์เป็นอะไรจิตก็เป็นไปกับอารมณ์ด้วยมันก็เลยวุ่นวาย แ่ถ้าเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เราก็สามารถคอยดูจิตว่าให้จิตดูเฉยๆให้จิตอย่าไปมีปฏิกิริยากับอะไรทั้งนั้นคําถามจากคุณเอนั่งสมาธิเหมือนว่าตัวลอยค่ะเพราะอะไรคะก็เหมือนก็ความรู้สึกไงเวลานั่งนี้บางคนก็ตัวพองบางคนก็ตัวหด <c oughs> มัน <c oughs> มันเป็นได้หลายแบบ <c oughs> ก็อยากจะรู้ <c oughs> ก็เริ่มตามมาดูแต่ว่ามันลอยจริงหรือเปล่า ใช่ไหมแต่คนที่นั่งแล้วลอยก็มีนั้นหนังสือในประวัติหลวงปู่ม่านที่หลวงตามหาบัวท่านเขียนเนี่ยาอาจารย์เสาวเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นอีกทีนึงท่านบอกเวลาท่านนั่งนี้ท่านรู้สึกว่าตัวล อ, อยเหมือนกันท่านก็ไม่แน่ใจว่ า, าความหนวงมันหลอกให้ท่านคิดอย่างนั้นหรือเปล่างนั้นท่านท่านก็ต้องการพิสูจน์ท่านก็เลยเอาเอาใบไม้เสียไว้ที่หลังคา ที่ท่านนั่งสมาธิเปัจจะเป็นลังคาแบบลังคามุงหญ้ามุงจากเนี่ยมันมีช่องท่านเก่าใบไม้ไปเสียบไว้ใบหนึ่งแล้วเวลาท่านนั่งสมาธิท่านรู้สึกตัวตัวลอยท่านก็ค่อยๆลืมตาดูแล้วก็แล้วก็หยิบใบไม้แล้วท่านก็นั่งสมาธิต่อแล้วพอท่านออกจากสมาธิมาท่านก็ดูที่มือท่านอ๋อใบไม้แสดงว่าเป็นของจริงท่านไม่ได้หลอกตัวเอง อันนี้บางทีเราก็ต้องพิสูจน์ดูก็มันมันหลอกเราได้บางทีหลอกว่าเราลอยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าลอยถ้ารู้สึกว่าลอยอยากจะรู้ก็ลองลืมตาขึ้นมาดูก็ได้ลอยจริงก็เปล่าแต่ระวังนะถ้าลอยจริงถ้าลืมตามาปับ๊บมันไม่มีสเตมันมันก็จะต้องไม่บรงครับประคองไว้เดี๋ยวมันก็ก็แทรกพื้นได้นะคาถามจากคุณเบล มีเพื่อนเคยถามว่ากรรมฐานจะนําไปสู่การเข้าใจภพภูมิชาตินี้ชาติหน้าได้อย่างไรครับคำว่ากรรมฐานนี่ต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมฐานคืออารมณ์40ชนิดที่เราใช้ในการควบคุมใจให้สงบเช่นพุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งเรียกว่าพุทธา น, นุสติดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งถ้าเรามีกรรมฐานกํากับใจ ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบเราก็จะเห็นตัวใจพอใจกับร่างกายจะแยกออกจากกันเราก็จะเริ่มเข้าใจว่า อ, อ๋อใจไม่ได้เป็นร่างกายแล้วก็เราจะก็จะคิดได้ต่อไปได้ว่าร่างกายเป็นอะไรไปใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกา ย, ยนั้นถ้าจะมีการเกิดก็ต้องเป็นใจตัวนี้แหละที่ไปเกิดไปมีร่างกายอันใหม่เหมือนกับใจตัวนี้ที่มามีร่างกายอันนี้ พราะร่างกายนี้มันก็เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายพอเวลาร่างกายนี้ตายแล้วใจมันก็มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะไปเกิดใหม่มันก็จะเห็นความจริงว่าชีวิตเรานี้มีสองส่วนส่วนที่ตายกับส่วนที่ไม่ตายส่วนที่ตายก็คือร่างกายส่วนที่ไม่ตายก็คือใจเพราะเวลานั่งสมาธินี่ใจแยกออกจากร่างกาย แล้วเวลานั้นถ้าร่างกายเป็นอะไรมันก็ไม่ไ ป, ไปก็เท่ากระเทือนใจนเราก็จะรู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่ไปเกิดใหม่นี้ก็เพราะใจนี้เองเวลาที่ร่างกายนี้ตายดับไปแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อเราจะได้เข้าใจถึงการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นได้อย่างไร แต่ตอนนี้เราไม่เข้าใจเพราะเราคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเป็นอันเดียวกันเราคิดว่าพอร่างกายตายปั๊บมันก็ไม่มีใครไปรับอะไรต่อละไม่มีใครไปนังโลกไม่มีใครไปสวรรค์ไม่มีใครไปเกิดที่มีความเห็นว่าตายแล้วศูนเนี่ยเพราะคิดว่ามีแต่ร่างกายนีเนี่ยคนที่เขาฉลาดทางทางวิทยาศาสตร์นี้เขาจะมีความเห็นแบบนี้เห็นว่าตายแล้วศูน์ ล่งเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์จิตใจได้ไม่สามารถพิสูจน์ดวงวิญญาณได้เขาก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเพอเจอไปแต่ความจริงมันพิสูจน์ได้แต่วิธีพิสูจน์นี่เขาไม่รู้จักทางพุทธศาสนานี่รู้จักวิธีพิสูจน์ก็คือการนั่งกรรมฐานการใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่สิบชนิดนี่เอาอย่างเดียวนะไม่ต้องทั้งสี่สิบชนิดนะเหมือนอาหารเนี่ยไปที่ร้านสั่งอย่างเดียวก็พอกินแล้วก็อิ่ม อย่าไปสั่งสี่สิบชนิดเดี๋ยวกินแล้วตายนะเอาพุโทโธก็ได้เอาลมหายใจก็ได้ให้ทาใจให้สงบให้รวมเป็นสมาธิให้ได้พอใจรวมแล้วใจมันจะแยกออกจากร่างกายเพราะเวลาที่เรานั่งสมาธินี่เป็นการถอนกระแสจิตที่เกาะอยู่ติดกับร่างกายเนี่ยร่างกายใจี่จะส่งกระแสจิตมาที่ร่างกายส่งมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำให้เราเห็นได้ฟังได้ยินได้ แต่วเวลานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธนี่มันจะดึงกระแสนี้ออกจากร่างกายไปพอมันรวมเข้าไปถึงตัวใจปั๊บมันก็จะไม่รับรู้เรื่องร่างกายแล้ะร่างกายหายไปจากการรับรู้ของใจเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละคนกันคนละส่วนกันคำถามจากคุณแนนเวลาที่สวดมนต์ใจชอบคิดเรื่องรู้เรื่องนี้ต้องทำอย่างไรคะ เพราะว่าเราไม่มีสติเราต้องฝึกสติก่อนเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเราต้องหัดหยุดคิดก่อนที่เรามานั่งเช่นเราหัดบริกรรมพุทโธไปตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธถ้าเราไม่จําเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เช่นอาบน้ำํำแปรงฟันล้างหน้าล้างตาแต่งเนื้อแต่งตัวนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราควบคุมความคิดเหล่านี้ได้เวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้แล้ว เ, เดี๋ยวมั น, มนพร้อมไม่คิดอะไรใจก็จะสงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายไปคําถามจากคุณจิตสิริเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่โดยตั้งเวลาไว้แต่มีสาเหตุให้ต้องออกก่อนเวลาก่อนกําหนด บาปไหมคะแต่ก็กลับมาปฏิบัติต่อคะ่ะเอไม่บาปก็เหมือนนอนหลับก็นอนแล้วมีสาเหตุทำให้เราลุกขึ้นมาปวดท้องฉี่หรือปวดท้องอะไรก็ลุกขึ้นมามันก็ไม่ได้นอนต่อท่านนี้ไม่ได้นอนยาวนั่งสมาธิสั้นก็ได้บุญ น, น้อยนั่งนั่งสมาธิได้ได้ยาวได้นานก็ได้บุญมากท่นนี้ไม่บาปหรอกคำถามจากคุณสุพันนา ระหว่างการทําบุญและการทําทานใช่อันเดียวกันไหมคะคือคําว่าบุญนี้เป็นเป็นผลที่เกิดจากการกระทําต่างๆที่ดีเช่นทําทานนี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งการรักษาศีลนี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งคำว่าบุญก็คือความสุขใจการกระทําอะไรที่ทําให้เราเกิดความสุขใจเนี่ยเราเรียกว่าบุญเช่นทําทานนี้เราก็เราก็ได้บุญได้ความสุขใจเราได้ช่วยเหลือคนอื่น ได้ทำให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็เลยเกิดความสุขใจทีนี้เราชอบมาแยกคำว่าทาบุญกับพระทาทานกับคารวะความจริงมันก็ทำอันเดียวกันเป็นทานเหมือนกันทาบุญกับพระก็เป็นทานทาบุญกับอขอทานก็เป็นทานเหมือนกันได้รับผลเหมือนกันคือความสุขใจเหมือนกันเองแต่ว่าเราชอบแยกกันเราเพราะเราถือว่าพระสงฆ์นี่สูง เราก็เลยไม่อยากจะใช้คําว่าทานกับพระสงฆ์เราก็เลยเรียกว่าทําบุญซึ่งเราก็มาเวลาที่เราเราไปทําบุญที่ก็หมายถึงว่าเราไปใส่บาตรไปซื้อของถวายพระเอาเงินไปหยอดตู้หรืออะไรนี้เราก็เรียกว่าทําบุญซึ่งการกระทําเหล่านี้ก็คือทานนี่ทําทานดังนั้นเราก็มักจะพูดคู่กันเพื่อจะได้ให้เข้าใจว่าการทําบุญทําทานนี้หมายถึงทํากับพระนะ คือเอาของมาให้พระนี่เป็นการให้ทานถ้าเป็นผู้สูงเราไม่อยากจะใช้คําเดียวกับที่เราให้กับขอทานเราก็เลยเรียกว่าให้ทําบุญแทนที่ เ, เรียกว่าทําทานแต่ความหมายอันเดียวกันทําบุญทําทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งรักษาศีลไม่ไปทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นความสุขอีกอย่างเวลาเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเราก็สบายใจ เวลาเราไปาสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเราก็ไม่สบายใจดงนั้นการรักษาศีลก็เป็นการทำบุญอีกอย่างแล้วการภาวนาการมานั่งสมาธิทาใจให้สงบนี่ก็เป็นการทาความสุขใจอีกอย่างหนึ่งเพราะจิตสงบแล้วจะมีความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่มากกว่าการรักษาศีลมากกว่าการทำทานความสุขใจบุญนี่มันมี ม, มีหลายขนาดเหมือนธนบัตรเนี่ยเรามีธนบัตรหลายขนาดใช่ไหม ใบละ 5, 20, 50, เท่ 100, เาไห่ยี่สิบห้าสิบร้อยแต่เมืนก็เป็นกระดาษเหมือนกันใช่ไหมบุญก็เหมือนกันบุญก็มีหลายขนาดาทำทานก็เป็นบุญขนาดหนึ่งรักษาศีลก็บุญอีกขนาดหนึ่งภาวนาก็อีกขนาดหนึ่งถ้าเปรียบเทียบทำทานก็เหมือนได้แบงค์ยี่สิบถ้ารักษาศีลก็ได้แบงค์ร้อยถ้านั่งสมาธิก็ได้ใบละห้าร้อยถ้าได้ปัญญาก็ได้ใบละพัน คนมันชอบปัญญากันแต่ก่อนที่จะไปถึงใบละพันได้มันต้องผ่านใบละยี่สิบก่อนเพราะว่ามันหายากกว่าใบละพันนี้มันหายากกว่าใบละยี่สิบถ้าเรายังไม่มีปัญญาที่จะหาใบละยี่สิบอย่าเพิ่งไปหาใบละพันเราไม่มีทางที่จะหามันได้เราต้องหาใบละยี่สิบไปก่อนพอเราหาใบละยี่สิบได้แล้วเราค่อยไปหาใบละร้อยใบละห้าสิบ แล้วพอเราหาใบาละร้อยใบละห้าสิบได้แล้วเราค่อยไปหาใบาละห้าร้อยพอหาห้าร้อยได้แล้วค่อยไปหาใบาละพันเนี่ยดงนั้นบุญข้อนแล้ว บ, บุญข้อข้อแรกง่ายที่สุดการทําทา น, นง่ายที่สุดมีเงินปั๊บไปร้อยจากปุ๊บก็ได้บุญทันทีข้อที่สองนี่ยากหน่อยนยรักษาสีนี่มันมันยากกว่าการทําทานเดี๋ยวเผลอปั๊บโกหกละ ถามาไปไหนไห่อเปล่าแต่ถ้าเราทำทานแล้วเราจะจะทำให้เรารักษาสีง่ายง่ายขึ้นาาค่ะคืออย่างถ้าเราไปทำบุญเนี่ยนะคะกับกับพระกับพระอย่างเช่นวัดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้ไปไปทำอะไรต่อที่เป็นการละกิเลสนะกับเพิ่มปูลกิเลสนะีคนทำเนี่ยบาก คือไม่บาปหรอกเราก็ได้บุญเราก็ไ <Yeah. S 1> ม่ก็ให้ขอทานนี้หรือเราเลี้ยงหมานี่มันก็ไม่บาปตรงไหนแต่แต่ถือว่าคือคนที่ทําบุญค่ะส่วนใหญ่ในขณะนี้คือว่าเรื่องจากถูกจริตคือทําบุญไปเพื่อซื้อบุญอ่าเพราะความไม่เข้าใจของการทําบุญที่แท้จริง mm hmm. ก็เลยไปคิดว่าอทําบุญกับพระที่เราชอบอทําบุญกับพระหรือกับใครที่เราคิดว่า บางทีไม่ต้องทำกับพระทำกับนักการเมืองก็มีที่เราไปเลือกตั้งไปสนับสนุนนักการเมืองก็เพราะเราชอบเขามันก็เป็นการทําบุญเหมือนกันถ้าหาสมมติเราทําบุญแบบที่เคยตลกเคยพูดนะว่าเนี่ยฉันบริจาคไปห้าบาทแต่อธิษฐานขอถูกลอตเตอรี่หนึร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะหรือว่าทําบุญไปห้าบาทแต่ว่าจะขอพระนิพพาน อ, อ, อันนี้ก็เป็นปกติของใจของคนทั่วไป ที่ไม่เข้าใจหลักของการทําบุญก็มันก็มีความโลภนะอยากจะได้อยากจะได้ผลมากๆ เ, าเ อ, อ๋อไม่บาปแล้วก็เพียงแต่เป็นความโลภเป็นความหลงแล้วก็ไม่ได้ดั ง, ดงใจอยากหรอกเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่สมเหตุสมผลไงเหตุมันจะทําให้เกิดผลทําบุญห้าบาทมันก็จะได้ผลแค่ห้าบาท เหมือนเด็กเรียนหนังสือดูหนังสือหนึ่งวันไปสอบมันก็สู้เด็กที่ดูหนังสือสิบวันไม่ได้ผลมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราอย่างนั้นก็ดีจะททำบาทเดียวขอไปนิพพานเลยใช่ไม้มมันต้องอยู่ที่เหตุที่ผลมันต้องสมเหตุสมผลกันเหมือนปลูกเหมือนปลูกข้าวเนี่ยคนนึงทำนาหนึ่งไร่ คนอีกคนทํานาสิบไร่อย่างเงี้ยแต่คนทำงานนาหนึ่งไร่เนะี่ยอยากจะได้ผลสิบไร่มันจะได้บ้ามันไม่ได้หรอก <c oughs> คิดอย่างนี้ก็แล้วกันการก็ทําทางปฏิบัติก็เหมือนกันเหตุทําทานอย่างเดียวก็ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพพานได้ทําทานอย่างเดียวก็จะได้ได้ประโยชน์คือกรลักลับมาเกิดใหม่ก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่เหมืนเอาเงินไปฝากธนาคารไว้ พอเรากลับมาเกิดแล้วก็เบิกได้อย่างพระเวชสันดรเนี่ยท่านทำทานเยอะพอท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่คงเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่ไปไม่ถึงนิพพานถ้าจะไปนิพพานนี้ต้องไปรักษาศีลและต้องไปภาวนาด้วยถึงจะครบถึงจะได้เหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปพรนนิพพานกัน พระเวสสันดรพงกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเลยต้องมาทําต่อชาติก่อนทําแต่ทานนะตอนนี้ก็เรามาออกบวชมารักษาศีลแล้วก็มาภาวนามาเจริญสมถวิปัสสนาภาวนานะก็เลยถึงได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ไปได้ไปพระนิพพานขึ้นมาดังนเราต้องดูเงินที่เรามีในมือแล้วไปซื้อของเนี่ย มีเงินห้าร้อยจะไปซื้อของราคาพันก็อย่าไปหวังเลยเขาจะขายให้เราใช่ไหมมีห้าร้อยเขาก็ขายของที่ราคา 500, ห้าร้อยเท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันบุญที่เรามี ม, มีระดับไหนระดับทานระดับศีลหรือระดับภาวนามันต้องมีบุญระดับของมันมันถึงจะได้ผลที่เราต้องการกันมีก็บ่าว่ า, วาไอจะหมดเวลา คำถามจากคุณเต้เมื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่ภาวนาพุโทโธไม่ได้อย่างนี้ควรทำอย่างไรต่อครับเมื่อจิตสงบเลยคแล้วลว่าไงไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแล้วภาวนาพุโทโธไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าสงบแล้วก็จบก็ถือว่าทาได้ได้ผลแล้วผลก็คือความสงบไม่ฟุ้งซ่านก็ให้อยู่สงบไปนา น, น, าน คำถามจากคุณจีดาภาพระอาจารย์เจ้าคะมีพระเอาต้นท่าป่ามาฝากตั้งไว้ที่หน้าร้านมีลูกค้าร่วมบริจาคมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกอีกส่วนหนึ่งแล้วพระองค์นั้นท่านไม่ได้มารับเอาลูกได้เอาเงินส่วนนั้นไปทำลงทานลูกจะบาปไหมเจ้าคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นของของเขาเนี่ยของวัดของพระลูกนั้นก็ามาฝากไว้ แล้วเราก็เอาเงินของเขาที่เขาเบริจาคให้กับพระรูปนั้นไปทําเองเอมันก็ถือว่าเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาป <c oughs> นอกจากเอาเงินของเราที่ใส่ใไปในต้นนั้นออกมาแล้วไปทําบุญส่วนนั้นก็ไม่บาปเพราะยังเป็นเงินของเราอยู่คําถามจากคุณหมีขนาดตัก บ, บาปถวายพระ จำเป็นต้องถอดรองเท้าหรือเปล่าครับจำเป็นเพราะว่าถือว่าไม่เคารพการใส่รองเท้านี่ท่านถือว่ายืนสูงกว่าพระพระท่านไม่ได้ใส่รองเท้าคนที่ใส่รองเท้านี่ยือนอยู่เหนือเหนือคนที่ใส่รองเท้าซึ่งโบราณในการเขาถือเรื่องของความเคารพว่าต้องอยู่ที่สูงผู้ที่เราเคารพต้องอยู่ที่สูงกว่าเราไม่ควรที่จะเรา เราจะอยู่ที่สูงกว่าคนที่เราเคารพคําถามจากคุณสิริวัฒน์การออกจากสมาธิมีวิธีอย่างไรบ้างครับเอ๋อไม่ต้องมีวิธีหละมันออกไปเองวิออกมันง่ายมันอยากจะออกอยู่แล้วเววิธีเข้าเข้าแล้วรักษาให้มันอยู่นานๆเนี่ยมันมันยากถ้ามันเข้าแล้วอยากจะให้มันอยู่ต่อก็ต้องใช้สติคอยคุมใจต่ออย่าปล่อยให้มันคิดพอมันคิดก็หยุดมันคิดต่อมันก็จะอยู่ต่อ ถ้ามันเริ่มคิดแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่คุมมันเดี๋ยวมันก็ออกมาละมันมันอยากจะออกอยู่แล้วคำถามจากคุณก้องเคยได้ยินว่าความคิดรอบหนึ่งถึงเป็นภพชาติรอบหนึ่งถูกต้องไหมครับแล้วกวนพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับก็มันเป็นภพชาติตอนที่ตอนที่ตายไงพอตายแล้วคิดมันก็ไปเกิดถ้าไม่คิดมันก็ไม่ไปเกิด แต่ทุกวันที่เราคิดนี้มันไม่ได้เป็นรอบหรอกมันก็คิดไปเรื่อยๆของมันมันจะมาเป็นรอบก็ตอนที่ร่างกายนี้ตายแล้วเราไม่หยุดคิดถ้าเราหยุดคิดมันก็ไม่ไปเกิดได้แต่ถ้าเรายังคิดต่อมันก็ไปเกิดได้คำถามจากคุณพึงรู้แต่ลมพอการเจริญสมาธิต้องสมาทานศีลก่อนขอโทษนะคะต้องสมาทานศีลให้บริสุทธิ์ก่อนใช่ไหมครับ ถึงจะทำให้จิตรวมลงได้คือคำว่าสมาทานนี้มันไม่จำเป็นต้องสมาทานเป็นแต่ว่าต้องมีศีลการมีศีลไม่มีศีลนี่มันไม่ได้เกิดจากการสมาทานแล้ไ ม, ม่สมาทานสมาทานแล้วไม่รักษามันก็ไม่มีอยู่ดีเอนขอให้ใช้คาว่ามีศีลดีกว่าก่อนจะนั่งสมาธิได้ต้องมีศีลเช่นศีลแปดถ้าเราไม่มีศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลามานั่งนะสิใช่ไม มัวแต่ไปนั่งดูทีวีกันไปเที่ยวกันไปกินเลี้ยงอาหารค่ำกันนี้มันก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิว่าต้องมีศีลถ้าเรามีศีลแปนี้เราก็จะไม่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันเนี่เทมาวันนี้เขาให้ถือศีลแปดเพราะอะไรเราจะได้มีเวลาไปลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์กันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ถ้าไม่ถือศีลแปดตอนนี้ก็อาจจะไปนั่งกินขนมกันที่ไหนก็ได้อยากจะกินอะไรก็กินได้อยากจะดูอะไรก็ดูได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นคนที่จะนั่งสมาธิต้องมีศีลแปดก่อนถึงจะดีศีลห้าไม่พอเพราะศีลห้าไม่ห้ามไม่ให้ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ศีลห้ายังให้ไปเที่ยวได้ไปกินข้าวเย็นได้ไปดูหนังฟังเพลงได้อยู่ดังั้นถ้าจะภาวนานี่ต้องมีศีลแปดจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่สําคัญ เหมือถ้าบอกคำว่าสมาทานเดี๋ยวก็ต้องไปหาพระมาสมาทานอีกใช่ไหมมันไม่ต้องที่ที่สมาทานเพราะว่าเราไม่รู้จกักศีลแล้วเราไปหาพระให้สอนการสมาทานศีลจากพระนี่หมายถึงการไปศึกษาว่าศีลที่เราต้องการจะรักษานี่มีอะไรบ้างพอเรารู้แล้วครั้งต่อไปก็ไม่ต้องไปสมาทานแล้วสมาทานหนงเดียวก็พอคือศึกษาให้รู้ว่าศีลห้าศีลแปดมีอะไรบ้าง เราพอถึงเวลาที่เราอยากจะรักษาสีหน้าสีแปดเราก็รักษาไปเลยไม่ต้องมาสมาทานกันทุกครั้งเข้าใจไหมเห็นต้องมีศีลแต่ไม่ต้องสมาทานาถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องมีสีแปดจะดีกว่ามีสีห้าเพราะถ้ามีสีห้านี่มันจะนั่งไม่ได้ไม่ได้มากอย่างมากก็ตอนก่อนนอนนั่นเองแล้วพอจะพอจะนั่งยินจีกังง่วงนะเห็นไหมหลับกันแต่ถ้าสมามทานสีแปดนี่เราจะมีเวลาตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้ว เราก็จะสามารถที่จะใช้เวลานั่งสมาธิได้ถึงจนถึงเวลานอนเลยหมดแล้วเลยหมดแล้วเลยมีมาเยอะเยอะเวลาไม่พอไม่พอแล้วนะวันนี้เหนื่อยนะก็ไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะท่านที่มาทีหลังก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่าน